เรียกว่าทำทำดีทำชั่วทำงานทำการทำผิดทำถูกพอทหารเสรละออมจำแนกกไปจากตรง น, นี้มันจะดีก็แยกตรง น, นี้มันช่ชั่วก็แยกตรง น, นี้เอาความชั่วความดีแล้วก็เอาลูกอาดามนี่ไปทำ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 ใช่สมมุติเฉยๆไม่ใช่เป็นปรามัดความโกรธเป็นสมมุติกวาไม่โกรธเป็นปรามัดมันมีนมอยู่ในความไม่เที่ยงก็จริงแบบไม่เที่ยงมันไม่จริงแบบเที่ยงในความเป็นทุกข์ก็จริงแบบเป็นทุกข์แต่ว่าไม่จริงแบบไม่เป็นทุกข์ในทุกอย่างมีปรามัดสัจจะในความทุกข์ก็มีปรามัดโจมันจริงแบบนี้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 ไอ้นความไม่เที่ยงกลายม่เป็นปัญญาได้เราเห็นไปอย่างนี้ทว่า น, นี่ไปแสดงทำไม่พวกพี่น้องชาวจีนเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่ใครมาลู่ให้เราเรารู้เองเราเห็นเองเราใช่ได้เองในความไม่เที่ยงเอามาเป็นทุกข์มันใช่ไม่ได้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 ในความเป็นทุกข์มาเป็นทุกข์มันไม่ถูกในความเป็นทุกข์มาเป็นบัญญามันถูกต้องในความโกรธ้องเป็นความโกรธไม่ถูกต้องในความโกรธออกมาเป็นความไม่โกรธถูกต้องกลัวอย่างนี้ในความหลงมาเป็นความหลงไม่ถูกต้องในความหลงมาเป็นความไม่หลงถูกต้องกลัวอย่างนี้ใครเป็นคนเห็นเรื่องนี้ เป็นปัจจัดตังหนายลูหมายหรือหลงเป็นหลงจนตายโกรธเป็นโกรธจนตายทุกข์เป็นทุกข์จนตายมีประโยชน์อะไรชีวิตเรามีการสอนกันจองจ้องอยู่พระพระธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกก็เย็ยนไหมร้อมทั้งว่าท์คำสอนอันเป็นทาเเรื่องออกจากทุกข์ เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปัญานิพานมันมีแล้วมันมีแล้วอู่บนความทุกข์ของกิ่งคือทุกข์อริยสัจสีเห็นของกิ่งคืออริยสีอย่างประเสริฐเห็นแล้วมันก็มีทางออกได้เมื่อเราเห็นงูงูจงอางอยู่นั่น่ะไปถ่ายภาพให้หลวงตาด <laughs>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 ไม่มีอะก็มองเห็นเมืองเท่าเช่นผมน่ะแล้วก็ให้เห็นทุกมู่งจงอางแผลแม่เวีย้ยอยู่ออกไปอะออกไปให้มันไกลสักหน่อยออกไปห่างออกไปหองออกไปก็ อ, ออกไปไกลสิบวาหยี่สิบวากับคนไปออกไปอีกจนมันพ้นที่สุดรัวพ้นแล้ว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 ในความแก่ก็มีความไม่แก่ในความเก็บก็มีความไม่เจ็บในความตายมีความไม่ตายฝึกให้ชำนิชำนาญเอาไว้อยอมสงบเราฝึกอยอมจึกเราลบอย่าง น, นี้จึงจำเป็นจำเป็นก็ต้องทำแบบนี้จะทำแบบอื่นไม่ได้เอาเงินเอาทองเอาข้าวเอาของไปซื้อเอาไม่ได้เลยเมืว่าโสนะกอริวิตะ พูดแล้วพูดอีกจำได้ไหมสโสนาโกลิวิตะมีจตธรารมาบวชปฏิบัติธรรมเดินโยกรมจนเท่าแตกขาเท่าอาป่ายองเดินไายเท่าก็แตกเอาส้นเดินไปอย่างนี้นส้นเท่าก็แตกเอาข้างเดินข้างเท่าก็แตก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 ลาลาลาลาจนมีจนลาล า, ล า, ล า, ล า, าใช่ไมจเออใชได้ละเล่นได้ปะด่ะเเอาให้เสียตามสเสียงเพลงได้ถ้ามันไม่โนอนไปไม่แล้วทําไมเธอจึงจะได้สเสียงพินของเธอที่เหมาะสมต้องพอดีฉันเลยก็ดีสุดละเอยการทำกับเพียอนอย่าตึงเกินไปให้พอดี อ, าาอ่าเราตาบอกว่าอบยิ้มไว้เสมอ